ตอนเย้ก็ทานอาหารตอนเที่ยงก็ทานตอนเย็นก็ทานอาหารใจอาหารกายส่วนธรรมะก็คืออาหารนั่นแหละเห็นแต่เรื่องเก่าๆก็ไม่เที่ยงก็เห็นก็เป็นทุกข์ก็เห็นก็ไม่ใช่ตัวตนก็เห็น เห็นรูปเห็นนามตามกวาเป็นจริงถ้าเห็นเราก็ถูกต้องถ้าเป็นเราไม่ค่อยถูกต้องมันขวางทางไปไม่ได้ไม่หลุด <c oughs> ถ้าเห็นเป็นรูปเห็นเป็นนาม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 เวทนากายเวทนาจิตทำหมดไป <c oughs> เลยแต่รูปนามรูปนามก็ยังไม่สาเร็จประโยชน์เป็นดุนเป็นก้อนแต่รูปธรรมนามธรรมก็ยังไม่ประโยชน์ถ้ารูปธรรมที่เป็น ทำดีตอนนั้นก็สำเร็จไปบ้างนามธรรมที่เป็นการทำชั่วก็เสียหายธรรมมีสองอย่างธรรมทอทหารสละอําเรียกว่าธรรมธรรมดีธรรมชั่วทำงานทำการทำผิดทำถูกทอทหารสละอํา จำแนกออกไปจากตัวนี้มันจะดีก็แยกตัวนี้มีชั่วก็แยกตัวนี้เอาความชั่วความดีแล้วก็เอาลูกอัานามนี่ไปทําเจอถ้าเราเจระจะากำชั่วทำวาำดีก็เอาลูกอันนามนี้ไปทําเป็นของส่วนตัว แต่รูรทมอีกแบบหนึ่งทอทงรอเรือสองตัวมอม้าอ น, นั้นเป็นธรรมชาตินั้นก็ยิ่งใหญ่เส่นควรมไปเที่ยงเป็นรูปเป็นรูมทรทมตัวนั้นทอทงรอเรือสองตัว ความเป็นทุกข์ความไม่ใช่ตัวตนเป็นรูปธรรมมานั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครเหนือกว่ารูปธรรมนามธรรมแบบนั้นแต่ว่าจำแนกได้แต่ถ้าเราไม่รู้ทรรมประเภทนี้ เราไม่เคารพธรรมอันนี้ล้วประมาเทเสีอหายไม่เห็นธรรมไม่เคารพธรรมมันเป็นธรรมเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติทีของธรรมชาติไม่มีใครป้องกันได้ไม่มีใครเป็นใหญ่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 แล้วก็เกิดทุกข์เกิดโทษได้นี่รูปธรรมพอทะาทอทวงรอเรือสองตัวรูปทุกนามทุกมีมันเป็นทุกอันเป็นรูปที่เป็นรูปธรรมเนี่ย ม, มีรูปทุกนามทุก มันมีความไปเที่ยงมันมีความมาใช่ตัวตนในความเป็นทุกข์ลูกวัเนี่ยตั้งอยู่ได้ไม่นานเกิดขึ้นแล้วเจ็บเจบตายไปอาใช่ตัวใช้ตนไม่ของเรามาใช่ตัว ต, ว ต, ว ต, วตวนของเราต้องหมดทั้งสิ้น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 ถูกลูกสอนสองดอกดอกดังถูกลูกดอกดังถูกนาถูกนามพระอริเจ้าหกถูกลูกศอนดอกเดียวถูกเฉพาะรูปนามไม่ถูกเพราะมันเห็นรูป ก, กับนามตามความเป็นจริงมันก็เจ็บ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 เกิดโลกอยู่บนนามโกรธโลภหลงนาโลกของนามพิริตตัญหาลาคะความโลภความโกรธความหลงมันเป็นนามโลกโลกอันนี้รักษาได้ <c oughs> รักษาได้เด็ดขาดก็เพื่อเจ้าประกาศกล้ อ, องตามสี่แผงห้าแพง อ, า, อาโลคยาปลมาราภาก็ไม่มีโรคเป็นลาบันระเสดคือโรคอันนี้โรคของนามรักษาได้ตั้งแต่อายุวัยชุอนอายุสามที่หกพรรษาอันนี้นามโรคแบบนี้อาศัยธรรมะ เห็นแจ้งตามความเป็นจริงทำรอเรือสองโททงรอเรือสองตัวเนี่ยอันนี้เป็นธรรมเปลี่ยนร่ายเป็นดีเปลี่ยนผีเป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกอาศัยอันนี้อาศัยปฏิบัติตรงนี้นียว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการเป็นส่วนตัว ยาสลาัจิตมีอยู่ทุกกรณีในความทุกข์ที่เป็นความโกรธในความโกรธก็มีความไม่โกรธนั้นเปลี่ยนได้อย่างนี้ในความทุกข์ก็มีความไม่ทุกข์ยาสลาัจิตใช้จิที่ของตนเองปฏิบัติได้อยู่เปลี่ยนได้อยู่ก็เปลี่ยนได้ก็เป็น เหนือโลกเหนือศุกเหนือทุกได้เรียบวาอยู่เหนือโลกอันนี้รูปโลกนามโลกรูปสมมุติน้มสมมุติมันซ่อนทับมาให้โลกแน่ น, นหน า, น, นาขึ้นให้น้ำแน่นหนาขึ้นทำให้เรามืดทำให้เราไม่รู้ มีอีกส่วนหนึ่งที่เป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นเปาะเป็นเครื่องคุณฉีดขวงรูปสมมุติสมมุติเป็นนามธรรมสมมุติเป็นวัตถุธรรมเอาสิ่งของวัตถุที่เป็นเป็นเห็นด้วยตาสัมผัสได้ด้วยมือมาเป็นสมมุติบัญญัติว่ญญ า, วาอันนี้เราชอบอันนี้เราไม่ชอบในลักษณะของรูป สมมติต่างกันเอามาทับถมรูปให้รูปมันหลงซ้ำไป อ, อีกอะไรรูปสมมติเป็นรูปธรรมนม้นแต่เสียงก็เป็นรูปกลิ่นก็เป็นรูปรถก็เป็นรูปอารมณ์ที่เกิดกับใจก็เป็นรูปมันเก็บผวดได้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 การสมมุติปัญญะเอาเองนั่นอ่ะมันไม่ใช่ตัวใช่ตนมันไม่เที่ยงจะหลงเอาสมมุติมาเป็นตัวเป็นตวนต ว, ว่าเราชอบเราไม่ชอบสิ่งที่เราชอบก็พ้นเอาขี้เอาขมขืนเอาขโมยเอาสิ่งที่ไม่ชอบก็ทำลายที่แท้มันเป็นสมมติเป็นคำพูดเป็น สมมติปัญญาที่เป็นรูปเป็นคำพูดอ่าดีว่าไม่ดียกย่องเป็นสมมุติสนเสรุนเป็นสมมติสมมติเอา <c oughs> อัานนี้มันมีสมมติ <c oughs> แล้วก็นามสมมตินามก็ปัญญา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 สังกับข้าตัวตายผูกคอตายยิงตัตายถ้าบัญญัติว่าไม่ดีวันญยัิว่าดีก็หลงหลอยเิดเพืินโมเมามืดมนจะ ถ, ถูกปัญญัตินี่หลกเสือผู้เสือคนอันนี้สมมติบัญญัติมีอยู่ในลูกมีอยู่ในดมสมมติบัญญัติที่ใช่ไม่เป็น ใจสมมติไม่เป็นใช่บัญญัติไม่เป็นเสียหายผิดแต่ไม่เสียหายได้จะหายส่วนรวมได้เสียหายส่วนตัวได้แทนที่จะมีประโยชน์เกิเป็นโทษได้วัตถุอาการมีอยู่ในรูปในนามนี้วัตถุคือ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 เมื่อเกิดวัตถุขึ้นมาสัมผัสวัตถุขึ้นมากลายเป็นสมมติปัญญา ต, ตรงนี่ก็มีเยอ ะ, ยอะแยะตาเห็นรูปหูที่เห็นหเสียงจะโมกได้กินลิ้นในรถเนี่ยเป็นวัตถุแล้วก็มีอาการต่อไปอีกตาเห็นรูปพอใจไม่พอใจอันนั้นเป็นอาการเกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นพบเป็นชาติตรงนี่เรีวยกว่าอาการ วัตถุอาการเป็นอาการมันมีถ้าเป็นวัตถุเฉยๆสมมติแล้วลงไปจบลงไปไม่เป็นลายมันมีอาการต่อไปเอกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจแล้วก็พปรงแต่งไปเกิดกิเลสตถหาได้ตายเห็นูปกก็กิเลสตถหาได้ตาเห็นโลก ลอกได้ตาเห็นลูกเบื่อได้นั่แต่อาการไปอย่างมองงั้นมันไม่จบถ้าเราไม่ลู้มันมันก็ไปกันใหญ่ให้อาการหลอกเราหลงไหลไปเรียกว่าวัตถุอาการปรมัติมันจริงแบบสมมติ เพิาเขาด่าเรามันสมมุติเอามันจริงแบบเขาด่าแต่มันไม่จริงแบบปรมาจารย์ต่อส่วนเสริญเรามันจริงแบบส่วนเสริญของเขาตามสมมติของโลกสมมุติของโลกนินเทาเสริญเสริญ น, นี้มันมีอยู่ก่อน ต, ตั้งแต่เรายังไม่เกิดมีรูปมีนามนี้มีได้มีเสียมีผิดมีถูกมันเป็นโลกกะระทามมาก่อน เราเคยเป็นสุขเป็นทุกเพราะโลควัตถุโลกธรรมนี้ครอบงามเราย่ายีเราเมื่อเรามาเห็นสมมติบัญญัติเห็นวัตถุอาการก็จะอาจจะลืมได้เราวางใช้สมมุติเฉยเฉยไม่ใช่เป็นปรามาตัตร์ความโกรธเป็นสมมติความไม่โกรธเป็นปรามาตร์มันมีอยู่ใอ้ความไม่เที่ยงก็จริงแบบไม่เที่ยง มันไม่จริงแบบเที่ยงในความทุกข์ก็จริงแบบเป็นทุกข์แต่มันไม่จริงแบบไม่เป็นทุกข์ในทุกอย่างมีปรามาสสัจจะในความทุกข์ก็มีปรามาสโจมันจริงแบบนี้าในความทุกข์ก็นะ่าร้องห่มร้องไห้เสียใจมันเป็นวันหยติแบบนี้สมมุติแบบนี้ แต่ถ้าเรามาเห็นปรละมัดแล้วมันก็ไม่มีค่าในความสุขความโทษล้านั้นมันก็เป็นจักตะว่าโอ้ น, นี้แล้ว่ามันลืบไปสมมติปัญญัติปละมัดสัจจะมันมีอยู่ในความไม่เที่ยงมันก็เป็นแบบนั้น มันจริงแบบนั้นไม่ไปถูอเอาความไม่เที่ยงมาเป็นของเที่ยงถ้าไปถูอว่าเป็นของเที่ย ง, ง, ยงมันผิดปรมัตา์เสียหายถ้าวางเห็นว่าความไม่เที่ยงก็เช่นั่นเองอาจจะได้ปัญญาอาจจะได้นิพพานตรงนั้นได้ถ้าเห็นตามความจริงนี่เดวว่าเป็นหลักสูตรในรูปธรรมในนามธรรม ถ้าจะแปถ้าจะอธิบายให้มากมายที่บังเกิดอยู่บนกองลูกกองน้มนี้มีมากแปดเป็นสี่พันอย่างเราไม่รู้เราก็ลอยหลงกันอยู่ตรงนี้กันเราจึงมาดูมันซะมมนมีสติถลงุงย้อยดูให้เห็นกายสัาวากา ย, ยามันแยกออกไปจนถึงกับ เห็นแก้งทุกอย่างอะไรเกิดขึ้นกับกายเกิด ข, ขึ้นกับรูปอะไรเกิดขึ้นกับน้ำรู้แล้วรู้งดรู้ครบรู้ท้วนมันมีตรงไหนปิดบ า, างอัมพางทะลุทะลวงไปหมดแล้วเรียกว่ารู้แจ้งการรู้แจ้งอย่างนี้หรือว่าวิปัชนาญาน วิปัสสนาญาณเกิดขึ้นรุ่งเรืองปัญญาปัญญาออกจากทุกข์ปัญญามันเกิดรอบรูปในกองสังขารในกองลูกกองนามนี้อย่างเนี้ยไม่ใช่ปัญญาเกิดจากอะไรที่ไหนรอบรูปในกองสังขารเนี่ยมันเห็นกองลูกกองนามเห็นตั้งแต่เริ่มต้นศึกษาปฐม เห็นกายเห็นเวลาเห็นจิตเห็นธรรมมั น, นเป็นหลักสูตรอย่าทิ้งหลักสูตรมันมีสูตรอย่างนี้เอากายเอาใจนี้เป็นตาราเอารูปกนามเป็นตาราเป็นหลักสูตรถ้าเราได้หลักสูตรนี่จะหลักสูตรไม่หลงเหมือนเราเรียนหนังสือถ้าเป็นหลักสูตร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 เช่นความไม่เที่ยงไม่เป็นหลักสูตรของลูกของนามก็เป็นทุกข์มันเป็นหลักสูตรของลูกของนามมันตกอยู่ในความไม่เที่ยงเป็นความเป็นความทุกข์ไม่ใช่ตัวใช้ตนเป็นหลักสูตรของเขาอย่าหลงตรงนี้ป้องให้มันกระจายออกให้มันกระจายออกได้ววผ่านได้ไม่เป็นรุ้นเป็นก้อน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 ในความมาเที่ยงเอามาเป็นทุกข์มันใช่ไม่ได้ในความมาเที่ยงมาเป็นปัญญามันใช่ได้ใครเป็นผู้เห็นเราเป็นผู้เห็น <c oughs> เราก็ตอบเราเองเขาถามเราหลวงพ่อเทียนก็ไม่มีแล้วไม่มีใครเป็นผู้ที่จะบอกว่าหลวงพ่เทียนใคยบอกไหมคนนั้นเลยบรรลุธรรมนรคนนี้เลยบรรลุธรรม หลวงพ่อเทียนเคยบอกหมายเดี๋ยวนี้หลวงพ่อเทียนไม่มีเราไปถามใครได้จะไปศึกษากับใครล้วก็ถามเราได้ตอบยั็นไงล่ ะ, ะ, ะพระพุเจ้าบอกว่าของร่างองนี้เป็นพระหรหอหันตเลยไม่มีบอกเป็นปัจจัจตัง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 ก็ด้วยตนเตไม่มีใครมายื่นให้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงจงใหค้ความไปเที่ยงเอามาเป็นทุก์ไม่ถูกใหค้ความไปเที่ยงเอามาเป็นมรรคผลนิพพานมันเป็นปัญญามันถูกใครบอกไม่มีใครบอกใหค้ความเป็นทุกเอามาเป็นทุกมันไม่ถูกใหค้ความเป็ทุกมาเป็นปัญญามันถูกต้อง ในความโกรธต้องเป็นความโกรธไม่ถูกต้องในความโกรธจะมาเป็นความไม่โกรธถูกต้องขวานะเนีย่ย <c oughs> ในความหลงมาเป็นความหลงไม่ถูกต้องในความหลงมาเป็นความไม่หลงถูกต้องขวา่านะเนี่ยใครเป็นคนเห็นเรื่องนี้เป็นปัจจักเป็นปัจจติตังไหนลูกไห hmm? ม หรือหลงเป็นหลงจนตายโกรธเป็นโกรธจนตายทุกข์เป็นทุกข์จนตายมีประโยชน์อะไรชีวิตเรามีการสอนการจองจ้องอยู่พรุทธศาสดาพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกเราเย็ยนไหมเพราอัทั้งว่าทำคมส อ, น, อนเป็นตามเรื่อออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อปัจิุพานมันมีแล้ว มันมีแล้วอยู่บนความทุกข์ของกิ่งคือทุกข์อริยสัจสีเห็นของกิ่งคือเลือดสียางประเสริฐเห็นแล้วมันก็มีทางออกได้เมื่อเราเห็นงูงูจงอางอยู่นั่น่ะไปถ่ายภาพาให้หลวงตาดู <laughs> แล้วไปให้งูกัดเลยงูจงอางอะมันก็ไม่ใช่แล้ว เห็นไหมเห็นงูจงอางไหมเห็นงูพิษไหมอยู่ที่ไหนงูพิษอ่ะทุกข์เป็นโทษเกียนตายที่ไรอยู่ที่เราในเหล่เห็นความโกรธให้ความโกรธพ่ายโกรธงูจงอางกัดเขาแล้วเจียนตายแล้วให้ความโกรธพ่ายโกรธให้ความทุกข์พ่ายทุกข์ตกพิษสงแล้วเคยไหมเคยทุกข์เพราะความทุกข์ไหม เคยทุกข์โหมโกรธวาเนี่ยมันมีพิษอย่างเนี้ยเราจึงมารักษาเนี่ยไม่ต้องมีพิษอะไรแต่ไม่จึงไม่ให้มันกัดเห็นแล้วออกไปพอเห็นแล้วก็ออกไปมันมีทางออกไปโยเห็นทุกข์ออกจากทุกข์พ้นจากทุกข์อย่างเนี้ย อันโงตกอางชูค อ, ออยู่เห็นแล้วทำไมต่อไปฮ่ะไอ้โง่จงอ่างชูค อ, ออยู่เห็นแล้วนะไม่มีใครไม่เห็นเราทุกเนะี่ยบางคนประกาศเลยมึงไม่รู้จะกกูทุกเลยเนะี่ยมึงไม่รู้จะกกูโกรดเลยนะนเนี่ยอะมึงอย่ามาใกล้กูนะเดี๋ยวมึงไม่มีอนะ ก็มองเห็นเมืองเท่าเช่นผมเนี่ย้วมันก็ขึอ <laughs> อ้นมาแล้วก็เห็นทุกงูจงอางแผลแม่เบี้ยอยู่ออกไปออกไปให้มันไกลสักหน่อยออกไปห่างออกไปหองออกไปพอออกไปไกลสิบวายี่สิบวากับ้นไปออกไปอีกจน จนมันพ่นที่สุดหรอพ้นแล้วไม่แล้วไม่มีอะไรแล้วเห็นทุกออกไปจากทุกพ้นจากทุกลูกเจ้าเห็นอย่างนี้เรียว่าปัจจ้ามเห็นทุกออกจากทุกพ้นจากทุกเห็นส ม, มุทยัยไม่ก่อส ม, มุทยัยพ้นจากส ม, มุทยัยเห็นวิธีออกไปได้ออกไปแล้วพ้นแล้ว เรียกว่าทุกขสมัยไทยในโลดมากที่อย่างแน่อย่างละสามอย่างรวมเป็นไปสิบสองประ จ, จการสิบสองโดยทําเป็นธรรมจักสิบสองขี้ก็บรรโหลกไปแต่ละมันทําไมมาสิบสองขี้มาจากไหนมาจากอริสัตถีเห็นออกไปพ้นแล้วเห็นออกไปพ้นแล้ว ออกได้ไหมเนี่ยออกได้เอามันหลงรู้ขึ้นมาพ้นจากความหลงมาลู่แล้วอ่าได้ไหมเวลามีสติเนี่ยเอามันหลงไปมันหลงไปอ้ามีกลับมาลู่ใหม่พ้นจากความหลงไปแล้วมาลู่แล้วพ้นอะไรอย่างมีแต่พ้นอยู่เนี่ยมันทุกมีไหมเห็นมันทุกออกจากทุกมาลู่ มันก็มีอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานมันลิขิตได้เป็นที่ตั้งแห่งการกระทำนี่มันจําแนกได้อย่างแน่แล้วไม่ต้องไปสอทุมแหมให้ผู้ข่าวพ้นจักทุกเด้อไม่มีทางถ้าไม่ทำตรงนี้ฮฮฮไม่มีทางอ้อนวอนไม่ได้ไม่ใช่ศาสนาอน้อนวอนเป็นศาสนาแห่งการกระทำ เปลี่ยนเราบอกอยู่แล้วว่ามันหลงไม่หลงอ๋อมันอยู่ด้วยกันให้ทําเราในทําให้มันเป็นไม่เฉลียนรูปไปจาําเราทําให้มันเป็นเปลี่ยนไปเล็กน้อยไปเปลี่ยนหลงเป็นรูเงลีนทุกเป็นรูปไปยิ่งทําอันนี้ให้มันจนํจนานี้จํานานให้มันคล่องตัว มันไม่ต้องเปลี่ยนต่อไปมันก็เปลี่ยนเอตัวหลวงพ่เทียนสอนว่าเอาจิตเอาส ต, ติดูจิตเอาจิตดูจิตนั่นแนหะในสติมันดูจิตต่อไปจิตมันจะดูจิตเองอันเดียวเลยในหลงที่ไหนไม่หลงไม่รู้ตรงนั้นเลยเนื้อมันในมันของอยู่ด้วยกัน ความทุกข์อยู่ที่ใดความหมายทุกข์อยู่ที่ท่านเลยถ้าทําเป็นแล้วมันก็ปั๊บทันทีปั๊บทันทีปั๊บทันทีมีเจ็บตรงไหนความไม่เจ็บเห็นมันเจ็บไม่เจอะตรงไหนเห็นมันเจอะมีตายตรงไหนเห็นมันไม่ใช่เป็นกับมันมันเปลี่ยนอยู่ทุกคนขณะไม่ใช่เวลาจะเจ็บแล้วมานจบมือสร้างจะวะโอ้ยจะเดินจะกลมมันเดินได้อย่างไรท่องในจิตในจิตไม่ต้องทํำอะไรในตัวมันเอง ในความแก่ก็มีความไม่แก่ใ น, <c oughs> ในความเก็บก็มีความไม่เจ็บในความตายมีความไม่ตายฝึกให้ชำนิชำนาญเอาไวาย้ยอมสงบเราฝึกยอมจึกเราลบอย่าแงบบนี้ยจึงจําเป็นจําเป็นก็ต้องทําแบบนี้จะทำแบบเดิมไมาได้เอาเงินเอาทองเอาข้าวเอาของไปซื้อเอาไม่ได้เลย เมว่อโสนาโกลิวิตะโทษแล้วพูดเด็กจำไรไหมโสนาโกลิวิตะมี <c oughs> จัตธามาบวชปฏิบัติธรรมเดินโยกมจนเท่าแตกหาเท่าเอาป่ายองเดิน่ายเท่าก็แตก เอาส้นเดินไปอย่างนี้ส้นเท่าก็แตกเอาข้างเดินข้างเท่าก็แตกลอยเดินยังกองไม่แต่ลอยเลือดกองกั้โสนะเพื่อนไปเห็นเข้าไปทักท้วงกติก้างโสนะอยู่นู้นลอยเดินยังกองไม่แต่ลอยเลือดเลยเช่างไหนะ้อ่ะ ไอคนไปท่วงก็ร้องไห้เสียใจว่าเราทำางานนี้ไม่ได้บรรลุธรรมเลยหมดปัญญาแล้วก็ปฏิบัติแบบนี้ขอศึกษาลายเพศไปทรัพย์สมวัติเรามีมากโกดิวิตทรับเป็นโกดไปขายไปทำมวนเอาเงินเอาทองไปทำมวนเอาออไม่ทำได้แบบนี้หรือร้องไห้ <c oughs> มาพระพุทธเจ้าขอราสิกขาไม่มีทางที่จะบรรลุธรรมได้แล้วเจ้าข้าเอ้ยเดินจงกรมจะเท่าแตกพอะเจ้าก็ถามโสนะ้น่ะเธอเป็นนักตนตรีใช่ไหมใช่พระเจ้าข้าเ้ลาเธอทรงดนตรี ดีเพียนจีโซ่สายของเธอมันตึงเสียงเพาะไม้ไม่เพาะก็ยอมเกินไปมันเพาะไม้ไม่เพาะเย้าคอถ้าเอาอยัางไงจึงพอดีเอาพอดีโน้ตเหมืกลาโดลาซอนลาซอนลาเมซอนหลังตาเคืหัดนะลาซอนไม่มีลาโดลาซอนเนื้อมันก็มีเราก็ฟังเสียงแล้วก็ได้หอว ซอนซอนซอนซอนมีมีมีมี ม, ม, มันเข้ากันซอนกับมีมันเข้ากันใช่มเหมือนโดกับลาออะนับลกูกโดมีเหมือนก็บเียนภาษาอันนี้ภาษาวัยก่านไอไอกับอีมันอยู่ใกล้ๆกันใช่ไหมใช่ไหมไออีไออีไอไอเป็นเฉพาะไอด้วยเป็นสติ เราดูดเราจอนนะเดี๋ยวหน้าก็ดนตรีอยู่แล้วจะทำไงเสียงพินเธอจึงจะได้เสียงที่เหมาะต้องพอดีสนสนไม่มีสนสนไม่มีลราดูลรสอนต่ออไม่เช่ดไปเล่นเลยนะเวลาเขาจะจงดนตรีเขาจงสนสอนสอนสนไม่มีไ ม, ม, ม่มีลาลาลาลาสอนมีสนลาลาใี่ไหมจะเออใช่ได้ล่ะเล่นได้ปะด่ะเอาให้ จะตามเสียงเพลงได้ถ้ามันไม่นวดไปไม่แล้วทำไมเธอจึงจะได้เสียงพินของเธอที่เหมาะสมต้องพอดีฉันเลยก็ดีสุดะเอ้ยการทำาวาเพียรอย่าตึงเกินไปให้พอดีเราตาบอกว่าอบยิ้มไว้เสมออย่าไปลเครียดบางคนปฏิบัติธรรมหน้ า, นาบูดตองบึ้งเอาให้ได้ตอนจกลบบึง้ง ไม่มันมันตึงเกินไปให้มันพอดีรู้ไปความรู้มันจะเบาเบาเนะมันความโอ้จริงบังคับเนี่ยมันเจอะไปได้ทองทองสบายมันหลงก็หัวเราะความหลงอยอมให้เปลี่ยนแปลงมันหลงรู้มันรู้รู้มันทุกรู้มันสุกรู้รู้ไปมันเพิมันรู้ดีจอย มันหลงเสียใจไม่ใช่ตึงแบบนั้นไม่ใช่ตึงแบบหยอ่อนถ้ามันเสียใจเสียใจหย่อนแล้วดีใจหย่อนแล้วก็มันรู้นดีดีดีนี่เรวตึงกันไปแล้วมันหลงอีไม่ดีไม่ดีอย่างนี้เรียกว่าตึงเด้อไม่พอดีเห็นเท่าเท่ากันมันหลงเห็นมันรู้เห็นมันทุกข์เห็นมันสุขเห็น มันจะไม่มีอะไรเ น, นี่ว่ามัดเ้มาเสียงได้พอดีเลยแบงแบงเบ่งบ ง, บงเอาบางก็มีด้วยประการจะนีกระเปะพร้อมกัน